พอดีเมื่อประมาณสามอาทิตย์ก่อ น, นะครับผมอยากถามครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยยากถามอะไรนะก็วันนั้นนะครับผมก็นอนอยู่ในห้องก็ฟังธรรมะไปด้วยอ่ะครับทีนี้พอดีหมอออกไปน้องหนาต่างแล้วมันเห็นถองฟ้าครับแล้วดีใจมันก็ว่างไปเลยผมเลยคิดว่าเป็นสมถะอะไรสักอย่าง น, นะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากจะถามอะไรเลยครับ แล้จะถามอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าอะไรนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือพอฟังซีดีของพ่อมากๆองนี้ใช่ไหมครับมันรู้สึกว่ามันเกรงนะครับพอจะทําอะไรมันก็แบบนึกถึงของพ่อมาก่อนเลยอย่าเงี้ยครับมันเห็นภาพเลยครับก็เลยแบบช่วงนี้ ก, กไ็ไม่ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่กฟังน้อยๆน ะ, นะฟังเท่าที่จำเป็นครับฟังมากก็เปลือไปจําเป็นสําหรับคนหัดเริ่มต้นอ่ะฟังให้รู้เรื่องรู้วิธีปฏิบัติแล้วไ่ต้องฟังเยอะ ดูให้เยอะๆดูของเราเองธรรมะที่หลวงพ่อพูดมันก็ธรมรมะเฉพาะตัวธรรมะของใครก็ของคนนั้นแหละก็ัวเราเองพอเข้าใจให้มาแล้วม้นกลงเงินเดียวไนแต่เราเข้าใจไม่ได้ด้วยกันฟังฟังเพื่อ ใ, ให้รู้วิธีปฏิบัติต่อคนนะทรมานตัวเองแอบมาถ่ายรูปหลวงพ่อไปขยายติดไปรอบบ้านเลย <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วก็มา ขออนุญาตปลดออกได้ไหมเพราะแฝนเองก็ปลดเองสินะนัวภาวะไปหมดเลยนะจริงนะเอาไว้กวันผีหลวงพ่อครับแล้วสมมติว่าตอนนี้เราจะทําอะไรไม่ดีแล้วมันนึกถึงหลวงพ่อเนี้ยเราควรจะดูไงดีครับก็ดูกิเลสเราแล้วก็อย่าไปทาํามันเรามีสติขึ้นมาแล้วก็รู้อะไรควรอะไรไม่ควรมีฮิริโอตปะ ลายบาปตัวผลของบา ป, บา ป, บาปไม่ทําตั้งใจงดมดม้นมาปบาปกุศลทางกายทางวาจาแต่ทางใจไม่ได้ดมดวันทางใจให้มันปลุงขึ้นมานะแต่เราอย่าไปช่วยมันปลุงคือจิตเนะี้ยปรุงกุศลบ้างกุศลบ้างไม่เข้าไปแทรกแซงให้ตามรู้ไปไเรื่อยตามรู้ไปจนเห็นว่ามันทํางานได้เองเราบังคับมันไม่ได้ ได้เห็นความจริงกายกายทำงานของมันเองไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไอ้ตรงเนี้ยครับผมสงสัยว่าเราต้องพยายามคิดหรือเปล่าครับว่าไม่คิดนะมันจะเห็นเองใช่ไหมออต้องให้เห็นเองแล้วต้องดูซ้าแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกดูมากๆบางคนดูเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีหรือเจ็ดปีไม่เห็นดูสิบกปีสิบหกปีไม่เห็นดูเจ็ดชาติ ดูไปเรื่อยๆหลวงพ่อ เ, เจอครูบาจารย์ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปูมั่นตอนั้นท่านไม่สบายเข้าโรงพยาบาลที่บูรีลำข้าไปกราบท่านไปเยี่ยมสนทนาธรรมาสมาธิท่านนะท่านน้าตาคลอเลยนะท่านบอกว่ารุ่นเดียวกันนะเขารอดไปหมดแล้วมีท่านคนเดียวไม่ได้อะไรเลยแด้แต่สมาธิแต่ว่าท่านไม่เลิกสมอนี้ถึงแก่ลาบากยังไง อีกร้อยชาติท่านก็จะทำอยู่อย่างเนี้จิตใจของนักปฏิบัติต้องเข้าหาอย่างนั้นนะเพราะว่าเราสะสมอนุสัยสะสมกิเลสมาเยอะแต่ละพบแต่ละชาติสะสมแต่ความหลงผิดเกิดมาทีไรเราก็คิดว่ามีตัวมีตน ม, มีสัตว์มีคนมีเรามีเขาอะไรสะสมแต่ความหลงผิดอย่างนี้มากว่าจะยอมรับความจริงได้ อาจจะิตใจยอมจำนนกับข้อเท็จจริงได้เนี่ยบางคนก็ใช้เวลาบางคนก็ฝึกมามากแล้วก็ใช้เวลาน้อยหน่อยแต่รวมแล้วก็คือใช้เวลาเยอะทุกคนเลยมันเยอะมาตั้งแต่ก่อนนะตอนนี้มันก็สั้นหน่อยแต่ก่อ น, นยังทำมาน้อยตอนนี้ก็ต้องทำหนักหน่อยเหมือนพระพาหยะสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนคนที่ภาวนายาก ภาวนาจงกระทั่งตัวเองตายตายโดยที่ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้มรรคผลอะไรหรอกแต่พอมาถึงศาสนานี้กลายเป็นแชมป์ในด้านที่เร็วที่สุดคนที่เร็วที่สุดเราดูถ้าเราดูเฉพาะปัจจุบันนะเราเพิ่มแบบหน้าอิจฉาเริมดูไปไม่ถึงตอนที่ท่านปีนขึ้นภูเขาไปทาบันไดไต่ขึ้นเขาแล้วขีบบันไดทิ้งเลย ถไม่ บ, บรรลุมรรคผลนิพพานนะแจ่อดตายอยู่บนเขาแล้วตาย จ, จริงจริงือก่อนที่เขาจะง่ายคุยยากนะหรือเราเห็นครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ทุกองค์เลยพูดเหมือนเหมือนกันนะว่าการปฏิบัติมันง่ายนะง่ายนะแต่ส่วนมากพอท่านพูดว่ามันง่ายนะง่ายนะสักครั้หนึ่งท่านอย่างเงียบๆในภาพนึ่งท่านก็จะลำพึงมันก็ยากเหมือนกันหลยหลายองค์นะพูดอย่างนี้ก็ได้ยินมาเอง ตอน่านไปแล้วก็บาง่ายง่ายนะทําไมพวกเราทําอะไรโง่อ ย, อย่างนั้นอ้ อ, อมพร้ อ, อมอยู่นั้นทําไมอ้อมไปอ้อมมาทําไมมัวแต่ปลูกแต่งทําไมไม่รู้ท่านความปลูกแต่งจนเลิกปลูกแต่งนี่พูดประโยคสั้นๆนะคือจนหลายปีนะพอท่านรู้สึกตอนที่ท่านลง ล, ลุกลุกการมาท่านก็จะบอกลาตึงลำำนะําพันนล้วคือมันจะยากจริงจังแต่จะยากจะง่ายก็ต้องตู้นะมันคือการสู้เพื่อเอาตัวรอด สู้เพื่ออยู่รอดนะทำไมรลวงพ่อเรียกว่าสู้เพื่ออยู่รอดถ้าเราไม่ต่อสู้นะเราต้องตายแล้วตายอีกนะต้องตายไม่รู้จักจบจบสิ้ถ้าสู้แล้วมีทางรอดครูบาอาจารย์สลรูปเราจะสำเร็จขึ้นมายากนะยากเราไปเห็นท่านตอนท่านแก่ๆท่านสบายดูมีความสุขใจปโปร่งโล่งเบาสบายเราไม่เห็นตอนท่านลาบาก แ, แ, แล้วองค์แต่ละองค์นะประเภท ร, รอดตายมามาง อ, องค์ถึงกษัตริย์ขนาดสอนนิพพานอยู่ภากตายแต่ถงคงพ้นตายไปเราก็ไดนะ้แต่ต้องสู้ถ้าไม่สู้ก็คือถูกย่ำดีไปเรื่อยๆตกเป็นขี้ข้าไปเรื่อยๆตกเป็นทาสนะพวกเราแต่ละคนกําลังเป็นทาสอยู่เจ้านายของเราคือปัญหา สั่งเราทั้งวันสั่งเราทั้งคืนเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเราเป็นทาสที่ไม่ได้สำนึกว่าตัวเองเป็นทาสเพราะฉะนั้นไม่มีวันที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระแต่ถ้าเรามาหัดดูจิตดูใจตัวเองออกเราจะเห็นนะเราถูกสั่งทั้งวันเดี๋ยวก็สั่งให้ไปดูนังไปฟังเพลงสั่งให้ไปกินน่นกินนี่นะสั่งให้ไปวัดนะสั่งให้ฟังซีดีฟังซีดีหลงก็ถูกสั่งเหมือนกัน เราไม่เห็นตันหาเป็นเจ้านายที่ฉลาดที่สุดเลยเป็นนักปกครองที่เก่งมากเลหนูข้อเรียนรัฐศาสตร์นะวิชารัฐศาสตร์สอนว่าการปกครองที่ดีที่สุดคือปกครองแบบไม่ได้ปกครองพูดกพูดถูกปกครองไม่รู้ตัวว่าถูกปกครองอยู่หรือว่าตัวเป็นอิสระเนี่ยนะนะดีมากเลยตันหาเนี่ยปกครองเราโดยที่เราไม่รู้สึกว่าถูกปกครองสั่งเราทั้งวันนะ มอบงานให้ทาทั้งมันเลยแล้วเป็นเจ้าหนที่ฉลาดถ้าเรามันสั่งแล้วเราเชื่อฟังแนละ้วมันจะให้คุณเรานิดหนึ่งให้ความสุขมาหน่อยหนึ่งพอให้ความสุขยังเสรไม่เต็มที่เลยสั่งให้ทางานชิ้นใหมแ่แล้วก็ถ้าเราไม่ทำตามที่มันสั่งมันให้โทษเช่นอยากจะจีบสาวสักคนหนึ่งไม่ได้จีบหรือจีบไม่ได้ทำงานไม่สาเร็จเป็นทุกข์ทุกข์มันลงโทษ ให่พวกเราถูกสั่งตลอดวันตลอดคืนไม่มีสุรภาพแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงแต่เรามองไม่เห็นเมื่อเราถูกสั่งเมราหัดเจริญสติมากเข้ามาเข้าแล้วเราจะเห็นเจ้านายเหนีหม้มสังเกตไม่ความอยากมันจะพุดทั้งวันอยากพุดทั้งวันนะได้ยินเสียงอะไรแกล้ๆข้างหลังเนี่ยอยากดูแลอยากดูต้องหันไปดูนะถ้าไม่ได้ดูแล้วไม่สบายใจมันลงโทษ ถ้ามองไม่เห็นนะสู้มันไม่ได้ปัญหาในตัวร้ายมากตอนท่าพุทธเจ้าตรัสรู้นะไม่ทักกิวดาอินกลมอะไรไม่ทักเลยแต่ทักปัญหาท่านอุทานธรรมะบทแรกของท่านนะไม่ใช่ธรรมาจับ ก, กับวัตนสูตรธรรมะบทแรกของท่านคือบททักปัญหาแต่ปัญหาผู้เป็นในช่างผู้สร้างเรือนเรารู้จักเจ้าแล้ว ต่อไปนี้สร้างเรือนให้เราอีกไม่ได้แล้วเรือนเก่าเราก็ลื้อทิ้งไปแล้วจิตของเราเนี่ยเข้าถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรกลุงแต่งได้นะจิตของเราก็ยังกลุงไปเรื่อยมีความอยากแลพก็ดินด้นไปดิ้นไปมันน่าสงสารนะพอเรารอดไปแล้วเราจะมองเพื่อนฝูงทั้งหลายนะมันสลดสังเวช น, นะสลดใจมันายากลบาบาก มันไม่ใช่เหมือนคนเดินอยู่ที่พื้นแล้วคนที่รอดแล้วอยู่บนภูเขามันเหมือนคนอยู่ในหลีวแถมตามบอดด้วยคือไม่รู้ทิศรู ท, ทางมีชีวิตแบบไม่รู้ทิศทางนะน่าสงสารต้องเรียนนะธรรมะเราถึงจะได้ทิศทางว่าเราควรจะดําเนินชีวิตยังไงควรจะพัฒนาจิตใจไปได้อย่างไงถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเลี่ยนะจะรู้สึกวางเวง อย่างพวกเราคนไหนที่ภาวนาจนชํานาญเคยชินนะเราชาติใดที่ไม่เจอศาสนาพุทธในใจลึกๆมันจะรู้สึกวังเวง ร, รู้สึกว้าเหวมันไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรแต่ว่าไม่ได้ทําชั่วนะก็ทํา ท, ทานถือศีลทําสมาธิอะไรไปแต่มันไม่รู้เป้าหมายของชีวิตมันจะรู้สึกว่างว่ารู้สึกวังเวง ร, รู้สึกหาที่พึ่งหาที่ยึเดเหี่ยวอะไรไม่ได้ไร้ทิศทาง ศึกษาธรรมะนะคเข้าใจสิ่งที่พุทธเจ้าสอนแล้วก็เริ่มเห็นทิศทางคนที่เห็นทิศทางครั้งแรกคือพระโสดาบันนะพระโสดาบันถ้ายังไม่ได้โสดาบันนะี่ก็ยังไม่รู้ทิศทางศา ส, สนาพุทธเนี่ยอย่างพวกเราเนี้ต้องถือว่าเป็นนักเรียนเตรียมระดับโรงเรียนเตรียมถ้าโสดาบันถึงจะเป็นนักศึกษา ก็าดาบันเป็นเสกบุคคลเป็นนักศึกษาพวกเรายัางเป็นนักเรียนตรียแล้วคนก็นักเรียนหนีโรงเรียนต้องอดทนนะต้องทนเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อใครช่วยตัวเองได้แล้วใจมันจะมีความเมตตาการุณาจะสงสารนี่เราเห็นใจคนอื่นมันจะเกิดขึ้นมาเองนะมันจะคนไว ยอมเหนื่อยยอมลำบากใหครูอบาอาจารย์สังเกตุท่านแก่งากๆแล้วนะหามไปเทศท่านก็ไปนะออบางโงนะอ่ะยังกันนักดนตีลูกทุ่งนะวันหนึ่งเดินสายไปที่นี่เดี๋ยวตอนเช้าไปที่นี่สายไปจังหวัดนี้ไปเรื่อยๆความเมตตาการุณาการะตุ้นมันค่อยเป็นเองรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ใจว่าเขาก็ลําบากแล้วเราก็สป็นลบากเหมือนเขาปูปุ๊บกันบ้านปูก็วันก่อนนี้ง่วงค่ะเพราะว่าตื่นเช้ามากแล้วต้องไปทํางานทีนี้เออ่ก็ง่วงเสร็จก็หลับจะหลับก็หลับไม่ได้เพราะว่าต้องนั่งรถต้องนั่งเรืออะไรอย่างเงี้ยไปทํางานแล้วเสร็จแล้วก็เกิดก็หลับตาแล้วก็ทําความรู้สึกตัว ปกติก็คือก็จั บ, จจบลมหายใจปกติของโองโอ่งปุ๊บพอความรู้สึกตัวมันตื่นปุ๊บควารู้สึกเหมือนกายมันหลับแต่ข้างในมันตื่นแต่พอเราคิดหรือฝันคือมันเหมือนฝันเหมือนคึ้นปนๆไอ้ตัวที่ตื่นเดิมอย่างเราตื่นเราก็เหมือนบังคับให้กายนั่งได้อะไรได้แต่ว่าตัวโอ่งรู้สึกได้ว่าตัวกายมันหลับมันหลับไปแล้วอะ นาคะนี้พอมันเป็นอย่างงั้นปั๊บแต่พอเราเผอคิดปั๊บพอจิตมันลอยออกแบบปกติของการเผลอคิดปั๊บเนี่ยไอ้ตัวตัวที่ตื่นอยู่มันก็ตกกลับเข้าไปในภวังของการหลับพอมันเรือมันกระตุกปั๊บนั่งอยู่บนสปีดโบ๊ชใช่ไหมฮะเรือมันกระตุกปั๊บมันก็ตื่นพอเรารู้สึกถึงการกระตุกเหมือนกับจิตมันรู้สึกตัวของกถึงการกระตุก๊็จิตมันตื่นเงื่อนใหม่แล้วมันก็พอมันคิด มันก็ตกกลับไปหลับใหม่มันอยู่อย่างนี้ตอลอดโอ้ก็ว่ า, วาเอ้ยแปลกดีแต่ก็อย่างเดิมก็คือตรงนั้นก็ไม่มีตัวเรามีแต่สภาวะแต่แต่แต่เแออยู่แล<ช>ไม่ไมีเรามีแต่สภาวะทำงานเพราะฉนเวลาจะนอนที่หลับนะคิดคิดหน่อยๆเรียก็หลับปฏิบัติไปบางครั้งรู้สึกว่ามันกลัวขหลวงพ่อมันมันเป็นความกลัวอยู่ลึกๆก็ตอบไม่ได้ว่ากลัวอะไรมันกลัวตัวเองหายไป ถึงเวลาเราตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเชื่อมั่นว่าเรามีอยู่นี่พอผ่นข้ากระจายตัวแไปเห็นกายก็ทํางานไปนะเวตนามันก็สุกก็ทุกของมันไปสังขารก็ปรุงดีปรุงชั่วไปจิตก็เกิดดับเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจมันเริ่มได้เฉลียวใจเห็นว่าตัวเราหายไปไหน มันจะเริ่มรู้สึกกลัวสําหรับบางคนนะบางคนจะรู้สึกเบือ่อรู้สึกเบือ่อทุกคนรู้สึกไร้สาระจะหลายแบ บ, บคนรู้สึกน่า ก, กลัวมันมียานอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าพยาตูปฐานยาสัตว์รู้สึกมันน่า ก, กลัวบางงานก็เห็นว่ามันเป็นทุบมันเป็นโทษของไม่ดีที่มาดีนวัตย า, าคนก็รู้สึกเบือ่อ เบื่อสุกเบื่อทุกเบื่อดีเบื่อชั่วเบื่อหยาบเบื่อละเอียดเบื่อภายในเบื่อภายนอกบ er, เบื่อเสมอกันหมดนี่เนียกว่ามิพิทาเพราะมันเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเราไม่มีมเริ่มเห็นแต่มันยังไม่กล้าอยอมรับมันใจหายบางคนใจหายนะภานาไปแล้วเฮ้ยเราหายไปไหนตบใจใจหายมีคนหนึ่งภานา แกไปดูแกไปแล้วก็กเจอว่าตัวเองหายไปตกใจตกใจจิตเลยถอยออกมารูดออกมันชี่อนันต์อาจารย์วนวลซิริอยู่อยู่ยุวพุทธที่บอก่าแกภาวนามาหลายปีนะเพ่งเงาเพ่งเงาได้รับความลำบากเยอะแกฟางซีดีหลงข้อเปลี่ยนจากการกำหนดมาเป็นการตามรู้ตามรู้วันแรกรู้ยังไม่เป็น โงงๆอยู่จับต้นชนปลายไม่ได้วันที่สองเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนนึงเริ่มแยกวันที่สามดูไปเลยเห็นขันแต่ละขันกระจายตัวไปแต่ละขันก็ทํางานไปเร็จแล้วเป็นตกใจว้าตัวเราหายไปไหนแต่นึกถอยออกมาต้องมาตั้งต้นรวมกําลังใหม่ภ <c oughs> าวนาแล้วก็อย่างนั้นเลยแล้วก็บางครั้งมันจะเห็นเหมือนว่าความคิดมันอยู่ห่าง จะความรู้สึกบางอย่างออความคิดมันอยู่ห่างๆนะกิเลสก็อยู่ห่างๆร่างกายก็อยู่ห่างๆความสุกขความทุกข์ก็อยู่ห่างๆรู้สึกไหมเห็นแค่ความคิดก็อยู่ห่างๆนั่นแหละดูไปนะอะไรๆก็ห่างหมดถึงจุดหนึ่งมันวางพรามันวางจิตเพีอนเดียวนะขันทั้งหมดร่วงลงไปหมดเลยนี่มันมันวางมันเริ่มเห็นนะความคิดตัวความคิดเนีมันเป็นบัญญัติเห็นอารมณ์บัญญัติห่างๆ แต่เราจะเห็นกระทั่งอารมณ์ปรมาสต์ก็ห่างๆรูปก็อยู่ห่กันอย่างเราเห็นร่างกายยืนเดิ น, ดนนั่งนอนเหมือมีช่องว่างนะระหว่างจิตกับกายมีช่องว่างระหว่างเวทนาแต่จิตก็มีช่องว่างระหว่างสังขารแต่จิตก็มีช่องว่างไม่กระทบก็ถึงกันนี่ถ้าภาวนามาถึงจุดนี้เนี่ยจะรู้สึกสบายปลอดภัยเลยอะไรๆก็ไม่กระทบเข้ามาที่จิตที่ใจ แต่ยังสงวนรักษาจิตใจถ้าวันไดวางจิตวางใจลงไปได้แนละ้วขันห้ามจะร่วงไปทั้งยวงเลยเพราจริงๆแค่มีจิตตัวเดียวนี่แหละมันสร้างขันห้าได้ทั้งหมดเลยดีครับทอดนนะจิตมันแข็งนิดนึงดูออกไหมมันเกินจริงนิดนึงมันไปรวบเอาไว้ไปบังคับกรรมออ ม, มันไหมดวออกไหมไปกรรมมันไหม กำ ม, มาตอนตื่นก็เริ่มกำแล้วรู้สึกไหมตอนตื่นนอนปุ๊หยิบขึ้นมาแล้วกลัวไม่มีปัญญาเคิดใจกลัวไม่มีปัญญากลัวจะไม่รู้ทำไม่บรรลุผลต้อหยิบประมาณนะแล้วต้องพยายามมาดูนะมาดูดูไม่ดูเปล่าแนละ้วขยําด้วยจริงๆแล้วไม่มีใครมาทําร้ายทําร้ายตัวเองความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเองมันข ย, ยํำขยี้จิตใจตัวเอง ทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาก็ขยําทีหนึ่งถ้ายังไม่เกิดความอยากก็หยิบไว้เฉยเฉยหยิบไว้เฉยเก็ทุกข์นะเพราะทานทีที่เราหยิบไว้มันจะมีน้ําหนักขึ้นมายังไม่ทันขยําเลยแค่มีน้ําหนักก็ทุกข์ละถ้าวางลงไปไม่มีน้ําหนักก็ไม่ทุกข์นี่ส่วนมากก็หยิบขึ้นมาแล้วไม่หยิบเปล่าขยำเด้วยขยําทั้งวันอะโอ่ดูออกใช่ไหมขยำยืนเั่นเลยก็ทุกข์หนักหน่อย บีบแรงบ้างบีบเบาบ้างคุณทันทิพย์ ท, นทนนะะนันที่ทํากระถิ่นเจนี่อะค่ะประเด็นที่พี่ลถก็ตกใจมากเลย <c oughs> ว่าเออคุณป๋าค่ะที่เป็นคุณพ่อคุณใ น, ในคือหนูมีความสดริญพอสมควรนะคะท่านอายุ70กว่าแล้วแล้วท่านพอเรามีคือหนูกำลับอกว่านอกจากความนอกจากความอยากทําให้เกิดความทุกข์ ความห่วงประเทศชาติดันดมันทำให้เกิดความทุกข์ความรักก็ทําให้เกิดความทุกข์ด้วยแวินาทีนั้นรู้ฉันใจตัวเองสั่นมากว่าท่านเข้าไอซีูแล้วท่านร้องทงได้ได้ข่าวจากคุณแม่ว่าท่านร้องมากพอร้องมากใจเราสั่นมากและขณะนั้นก็เกิดภาวนาขึ้นภาวนาค่อนข้างแรงมากแล้วก็อธิษฐานจิตว่าณนะวันนี้คือทั้งจิต ท, ที่ภาวนานี้คือเล่งอย่างเดียวว่าขอให้ท่านไม่ปวดไม่เจ็บ ตลอดการเดินทางตลอดตลอดที่มีกระถิ่นเนี้ยเพ่งเล่งเร่แต่ภาวนาตรงนี้ตลอดแล้วก็แล้วก็บอกกับตัวเองว่านี่คืออนุภาพของสิ่งที่เราได้ได้ทำจนจนน้าบัดนี้คือพอไปถึงที่ท่านหลังจากที่ผ่านจากไอซีมาแล้วท่านบอกคำแรกที่บอกกับหนูคือท่านไม่รู้สึกเจ็บเลยนั่นคือสิ่งที่หนูต้องการมากเพราะว่าหนูคิดว่าการภาวนาของหนู เป็นไปอย่างมากในขั้นในขั้นที่ผ่านมาแล้วทำให้ท่านรู้สึกดีแล้วท่านก็มีความเมบิกบานขึ้นในขณะที่หนูเล่งพำในขณะที่หนูทำภาวนาตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนจนตลอดทั้งวันเวลานี่หนูวันจุวันพุธเนี่ยจะมีการนั่งปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติเนี่ยจะจะทำสมาธิก่อนแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็พระอาจารย์สุรศัก ไ ด, ได้ทำให้พาาระอาจารย์สุเวศศรนาศรนาหลายหลายๆคนวเนยนะคะก็มีการภาวนามีการนั่งปฏิบัติกันที่เรือนทําท่านท่านสามารถรับได้ท่านบอกว่าการปฏิบัติเราดีขึ้นซึ่งการปฏิบัติดีเนี่ยส่งผลให้คือจริงๆแล้วจิตใจเนี่ยมันจะเบาแล้วก็เหมือนกับเวลาที่เข้าสมาธิแล้วเนี่ยเหมือนกับมีมีมีมันเบาจนกระทั่งมีอะไรเหมือนกับออกจากตัวเราได้อะค่ะแล้วเราสามารถที่จะแผ่บุญบุญส่วนนี้ยให้กับให้กับ ให้กับสิ่งที่เราต้องการได้แล้วเขาสามารถรับรู้ได้ในสิ่งนั้นหดี๋ําลังจะบอกว่าอนุภาคของสิ่งนี้เนี่ยมันมั น, ม, นมันไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่แต่ว่าคนที่รับจะรับจากเราได้เนี่ยเขาบอกเราว่าเขารับได้งงเขารับไดพงง้พลังงานของจิตไม่ชื่อเรื่องประหลาดอะไรมีพลังงานนะส่วนรับได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาเองอย่างเวลาเราแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญนี่เหมือนสถานีพิทยุนะ เปิดเครื่องรับหรือเปล่าเป็นเรื่องของเขาแล้วแรดแต่เวนแต่กรรมบางคนไม่ได้มีงานความดีอะไรเลยรับอะไรไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดานะจริงๆแล้วจิตมีเรื่องอศัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นอีกเยอะเลยที่อศัศจรรย์ที่สุดคือจิตที่พนทุ์ฟุได้อศัศจรรย์ที่ยิ่งกว่าสแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆ ก็ะถิ่นที่วัดป่าศรีตาลีซอนะคะมีคนเห็นท่าอาจารย์เปาซึ่งหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนแบบ ว, ว่าไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้จักมาก่อนแต่ทราบว่าท่านปฏิบัติวิปัสนาแบบปุกลิก็เลยมีคนเห็นท่านว่าท่านอยู่ที่ประเทศอินเดียท่านได้ทําในสิ่งที่คนเห็นเป็นอาจารย์คื อ, อยืนอยู่แล้วก็ยืนตลอดทั้งคืนโดยที่ไม่ไหวตีก็เลยมีคนที่ก็อายุมากๆค่ะเขาให้ไปถามว่าท่านทําได้อย่างไรนะ ว่าทำไมเพราะจริงๆแล้วท่านอาจารย์เปลารู้จักพระอาจารย์ตาโม่ด้วยนะคะพระอาจารย์ตาโม่หนุ่ก็เพิ่งทราบว่าท่านรู้จักพระอาจารย์ตาโม่ด้วยเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าให้ดูกายดูจิตคือพูดเหมือนกับที่ที่พระอาจารย์สอนนะคะว่าให้ดูกายดูจิตแล้วก็ก็ก็ยังแปลกใจว่าสิ่งเหล่านี้เนียมันตอนแรกๆนึกว่าท่านใช้วิชาอะไรหรือว่าอะไรที่ทําให้ท่านสามารถยืนได้โดยไม่ไหวตีนอะค่ะทีน Clear ี <tr> <recht> <tr> <Linux> <absor> ้ท่านก็ได้พูดสิ่งเรื่องของ สุนยตาว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นสภาพว่างเปล่าแต่เหมือนกับสภาพจิตของเราตอนนั้นเนี่ยท่านท่านเปรียบเหมือนตัวเลขคือศูนย์ทีนี้พอมีอวิชชาเข้ามามันก็เลยกลายเป็นหนึ่งสองสามจริงๆแล้วสภาพนี้มีเกิดขึ้นจริงเป็นความว่างเปล่าทีนี้ทําให้เราทําให้เราก็ไม่ได้ถามว่าทําอย่างไรถึงดูกายดูจิตจนสามารถที่จะเข้าสิงสภาพสภาวะนั้นได้ท่านบอกให้ดูไปเรื่อยๆสุนยะต า, าปแปลว่าว่างเปล่าไหม ว่าว่ามันไม่ได้ว่างเปล่าแล้วมันไม่ได้เปล่าจากว่างตรวจนาฏ ก, การค่ะช่วงนี้เอสมาธิไม่ค่อยตั้งมั่นค่ะแล้วก็เวลาที่มีสติลึกรู้เนี่ยค่ะมันจะเป็นแค่แบบเบาๆแวบเดียวก็เลยไม่แน่ใจว่าสติที่ลึกรู้ขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นสติตัวจริงหรือเป็นที่เราเท่งกีเตะเอสตินะถ้าไม่ได้เจตนาให้เกิด แต่ว่ามีเหตุคือมันจําสภาวะได้แล้วสติเกิดขึ้นเองไม่เกิดขึ้นช่วงขณะไม่เกิดนานตรงที่เกิดขึ้นช่วงขณะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตจะเบาจิตจะอ่อนจิตจะควรแก่การงานว่องไวคล่องแคล่วอยู่ในขณะนั้นแหละแต่ถัดจากนั้นเนี่ยมันก็ดับพอดับแล้วอาจจะเกิดสติขึ้นมาอีกก็ได้หรืออาจจะเกิดอาการสนหลงไปเลยก็ได้ เราเลือกไม่ได้ว่าจิตจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเลือกไม่ได้ตรงนี้ดูออกเไหมยังแต่ทีนี้เป็นบางครั้งที่เราคิดหรือว่ามีความระลึกรู้อะไรขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นในลักษณะที่มันมันพุ่งเข้ามาแล้วก็แรงแล้วก็แน่นทึ้ อ, อ, อย่างนี้นะ อ, อ, อย่างนั้นบังคับนะ<ฆ>จงใจถ้าจงใจก็จะแข็งแ็งแน่นแน่นหนักนั ก, นก สภาวะที่จิตใจแข็งแข็งแน่นแน่นหนักหนักซึมชื้อมันเป็นลักษณะของอาคุโสรจิตจิตที่เป็นมหาคุโสรจิตจะมีความเบาความอ่อนโยนนุ่มนวลคล่อแคล่วว่องไวไม่ถูกนิวรไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่สึงไม่ถือ่อแล้วก็รู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นรู้อย่างสักว่ารู้สักว่าหเห็นได้ อย่างนี้ใช้ได้แบางทีจิตเราหลงไปพอเรารู้ปุ๊บเราดึงไว้ปั๊บจะแน่นแน่นอย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราโลภะมันเกิดก่อนมันอยากจะให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวโลภะมันเกิดแล้วเกิดกายกระทํากรรมคือการดึงเราไว้ถ้าดึงไว้แล้วน่าเป็นพุกเมืถถ่อวานนี้เราสึกติดฟุ้งซชานนะอ่าวันนี้ตอนเช้าบางทีก็มีสติบางทีก็เบลอ <c oughs> ใช้ได้ มีโมหันนิดไม่เป็นไรดีที่เห็นต่อไปไม่เอาก็ส่งต่อนะบังคับหรอยิ่งส่งต่อมากๆยิ่งชอบก็คราที่แล้วที่หลวพ่อบอกว่าให้ดูแบบนั้นถูกแล้วก็ไปดูช่วงแรกๆก็จะรู้สึกมีจิตทั้งมั่นมีความสุขมันจะผุดขึ้นมาเหมือนขึ้นมาหายใจขึ้นมาหายใจแต่พอทําสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกเงาเงาซึมซึมลึกๆมัน มันเจ้าลึกๆแบบไม่มีเหตุผลเ อ, อก็เลยไม่อยากทําแล้วปิดซีดีหลวงพ่อฟังเพลงที่ชอบที่สุดในวันฝนตกในรถกล่าวว่าจะไม่เอาละจะจมกับอารมณ์แบบนั้นพอฟังแป๊บนึ่งจูงงกกระชาก<ๆ>ออกมาชธนี่แรงชัดกว่าเก่าอีกเหมือนหนังเอฟเฟกมันกระชากออกมาทั้งกายทั้งจิตหให้หลุดออกจากอารมณ์ที่จะฟังเพลงก็เลยหัวเราอกมาว่า ถึงแม้ช่วงแรกๆเราอยากให้เกิดบ่อยๆก็ทําไม่ได้เพราะช่วงหลังไม่อยากให้เกิดก็ยังทําไม่ได้อีกไม่ได้ทําไม่ได้ก็เลยปล่อยค่ะก็นี้ก็เลยดูตามธรรมชาติเวลาเราภาวนาเราอยู่ดีๆอยู่ๆเกิดความรู้สึกเศร้าๆเหงาๆนะให้แผ่เม็ดแผ่ส่วนบุญไว้แผ่ส่วนบุญไปบ้างบางคนคล้ายๆเศรษฐีชี้เหนียวนะภาวนาได้บุญได้กุศลมาแล้วไม่รู้จักแจกใคร เราแผ่ส่วนบุญดูบ้างบาทีพวกญาติพี่น้องเราตกทุกข์ได้ยากมาขอความช่วยเหลือก็ เ, เห็นเรามีบุญมาขอจิตใจเข้ากระทบเข้ามาทราบหมอกแล้วแผ่ส่วนบุญไปส่วนการปฏิบัติจริงๆนี่เราจะเห็นเลยเราบังคับจิตไม่ได้อย่างเบื้องต้นเราจะบังคับจิตให้มีสติไม่ได้นี้จนมันเป็นสติอัตโนมัตินะ อยากเลิกปฏิบัติสักช่วงเวลาหนึ่งก็ไม่ได้หลวงพ่อนะเสมัยนู้นนานมาแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วตรงที่หัดไปจนสติมันอัตโนมัติมันไปเห็นสภาวะหนึ่งเห็นจิตที่มันไหวยิบยักยิบยักอยู่มันไหวยิบยักยิบยักอยู่ข้างในดูมาตั้งเดือนกว่าๆนะกคาลคาสังอย่างนึงผ่านไปก็ไม่ได้นะก็ยิบยักยิบยักอยู่นิ้นึ วิ่งไปถามหลวงพ่อพุธว่าจะทําไงดีเพราะฉะนั้นเป็นวันบูรพาจารย์ที่วัดตาสารวั้รคนเยอะเลยมันเต็มศาลาเลยหลวงพ่อไปหาหลวงพ่พุธที่กุฏิท่านท่านก็สอนหลวงพ่ออยู่เป็นชั่วโมงเพื่อจะแก้ปุถนี้ให้แก้ไม่ตกแล้วลามาตามหลายรอบบอกได้เวลาต้องไปสอนที่น้องแล้วาบอกที่น้องให้กูหลึกสอนไป ว่าส่วนมากเข้ามาฟังเทศอาบุญให้ฟังไปก่อนเนี่ยท่านใจที่หลังดูื่านพุ่งเทนะสอนจนท่านเหนื่อยนะใจเราไม่ลงธรรมดารักครูบาอาจารย์นะเคารพนะแต่ว่าทํายังไงอ่ะมันไม่ไหวแล้วนะมันเหนื่อยนะเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนเลยนะเห็นแต่หลับทั้งตื่นทั้งหลับนะมันเห็นเย้ยแยบอยู่เนั่น่ะเหนื่อยก็กลับมาจากหลวงพ่อพุดแก้ไม่ตกนะท่านก็สอนใหญ่เลยบอกว่า การปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดเนี่ยสติมันอัตโนมัติมันดูของมันเองความปรูงแต่งมันก็เป็นอัตโนมัติของมันก็ปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วนั่นเป็นธรรมดามันสอูนหลักๆกูเกณฑ์แต่ใจเรารู้สึกมันเหนื่อยเต็มทีแล้วนะมันทําไมมันไม่เลิกเลิกสักทีไม่อยากดูอันเนี้ยกลับมาบ้านนั่งเขียนจดหมายไปหาอาจารย์มหาบัวก่อนเขียนไปแล้วท่านก็ตอบมา ทังนั้นเขียนไปนะั้นท่าก็ตอบมาเหมือนกันกตอบมาสั้นๆบวกเราเพิ่งทําตาใหม่คงไปผ่าก็กระจกอะไรเงี้ยบวกเราเพิ่งทําตาใหม่เขียนหนังสือยาวไม่ได้เอาหนังสือไปอ่านเอาเองส่งหนังสือทําจิีมพร้อมเรืมบลเลยเห็นหนังสือนะ่าท้อใจเลยหูเราก็เหนื่อยจะแย่ แ, ยแล้วนะจนึองก็อ่านหนังสือเรื่มขนาดนี้เพื่อจะหาคําตอบอนะรู้สึกโค้เหนื่อยจังไงแต่ท่านให้มานะก็ นับสื่อเขารบรักท่านมากนะยกมือกราบกราบหนังสือเลยกราบท่านนะนะติ๊กหนังสือที่แบบมุกโ อ, โอหน้าที่ปริง้งนั่นแหละตอบเรื่องนี้ตอบเรื่องนี้เลยแล้วสอนเรื่องว่ามันยิบยับยิบยับอย่างนี้แหละยิบยับยิยับอยงนีเป็นเรื่องธรรมดาฟังแล้วก็เหมือนที่หลวงพ่อพุดบอกนะใจมันเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยมันไม่ยอม นั้นจะไปทํางานนะก็บอกตัวเองไปขึ้นเรือนเมย์เดินออกจากบ้านจะขอไม่ปฏิบัติสักวันเถอะจะประคุณ <c oughs> ขอไม่ดูสักวันเถอะ <c oughs> เหนื่อยจะแย่ลแล้วก็ไม่ได้ผลนะมันจะดูมันจะกัดจิตเนี่ยจิตมันไม่ใช่ตัวเราทํางานของมันเองมันจะดู <c oughs> เสร็จแล้วทำไงดีเนาะไม่เอาละวันนี้ทําสมถะกแล้วกันมารู้ลงในใจแทน หายใจไม่กี่ทีนะหายใจไปยี่สิบแดครั้งจิตสงบลงมา ใ, ใจถอยออกมาเนี่ยไปเห็นสภาวะยิบยับนึ้นนะขาดไปใจสงบจิตใจมีความสุขขึ้นมาเลยนะรู้ตัวตื่นขึ้นมาเต็มที่เลยเพราะที่แท้เราขาดสมถะนั่นเองการที่เราตามรู้ตามดูมากเข้ามากเข้านะมันเหมือนเรามีมีดอยู่อันหนึ่งเราฟันต้นไม้ไปเรื่อยันจนมีดทื่อแล้วก็ยังลื่อยาฟันต่อไป นี่คือเองทำความสงบนิดเดียวเหมือนไปรับมีดมันกระทบอารมณ์ปับขาดเลยจิต ใ, ใจรู้สึกเหมือนลองวีคเน <c oughs> อนได้พักผ่อนแล้วงั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยถ้าจิตมันทำงานอัตโนมัติสติอัตโนมัติแล้วห้ามมันไม่ได้ละทางเดียวที่จะพักนะั่นคือทำสมัธิําสมถธ ทำสมาธิจิตใจได้พักผ่อนพอสมควรพอพักผอนออกมานี่ย น, นะมันจะมารู้สภาวะด้วยความแช่มชืม่นไม่ใช่รู้ด้วยความแข็งแรงน่าเบื่อเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่สมาธิก็จําจเป็นนะไม่ทิ้งหรอกจำเป็นแตยกเว้นบางคนมันทำไม่เป็นจริงๆอะ่ะก็ไม่มีสมาธินะก็ต้องทนลําบากเอาเรียกว่าปฏิบัติแบบแข็งแรงต้องทนลําบากเอาช่วยไม่ได้ ก็ไม่ได้สร้างสม อ, อบรมของเรามาทางด้านนั้นยุติธรรมนะธรรมายุติธรรมไม่ได้ฝึกไว้มันก็ไม่มีจะใช้ฝึกไว้มันก็มีใช้8โมงแล้วไม่มีเวลายักษาตับผีแล้วนะเชิญไปทานข้าวไป